เออแปลกนะครับ <c oughs> เรียนเรื่องมงคลนี่นะฮะไอ้ตัวเราเนี่ยนะเป็นทั้งบัณฑิตเป็นทั้งคนพานในตัวเสร็จเลยแสดงว่าเราครบทั้งบัณฑิตครบทั้งคนพาเลยในในตัวคนมีมีสองอย่างเลยเออแปลกบางครั้งมันเป็นพาลเป็นพานหลหนักๆด้วยนะไม่ใช่พาลธรรมดาด้วยนะเขาเรียกว่าอันธพาลใหญ่เลยบางทีนะแต่บางทีก็เป็นบัณฑิตโอ้โหถ้าจะเป็นนักบวชก็มีนะแมเออแปลกนะ น้นมศการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะค่ะอยากจะกราบเรียนถามว่าที่พระคุณเจ้าแสดงมาทั้งหมดนั้นเนี่ยก็เป็นผ่านภายนอกก็คือบุคคลภายนอกที่เป็นผ่านใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีผ่านภายในเนี่ยมันก็คงไม่เป็นเหตุปัจจัยให้เราเนี่ยเป็นไปในลักษณะตามผ่านที่เป็นผ่านภายนอกใช่ไหมเจ้าคะเกถ้ากล่าวตามสภาวะเนี่ยสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกขณะที่เกิด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 กาฬยาณมิตรซึ่งชีวิตของเราเนี่ยนะเราจับปฏิเสธคนใกล้ใกล้ไม่ได้ปฏิเสธคนที่เราครบไม่ได้เลยทั้นขนาที่เราแม้กระทั่งภาษาไทยเนี่ยนะเนื่องจากเราอยู่ประเทศไทยใช่ไหมเราจึงพูดภาษาไทยอันนี้คืออิทธิพลของการซ่องเสพอยู่ในถิ่นฐานแถวนี้ขอมามันเหนือก็ชักพูดเหนือได้หลายคำแล้ว ดังก่ออิทธิพลของการเกี่ยวข้องของการส่องเสพเนี่ยนะทุกอย่างมีผลหมดเลยแต่ว่าปัจจัยภายนอกทีนี้ก็ปัจจัยภายในก็โยนิโสมนัิการกับอโยนิโสมนัิการบัณฑิตเนี่ยนะคือการครบมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมจันทร์ก็ได้หรือพรหมจันทร์พินาฏก็ได้การครบคนนะคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้ประพฤติมิตรฉาม ก, ก็ได้ท้งการมิตฉาที่ มิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉามักเกิดได้หมดเลยอาศัยการเกี่ยวข้องอาศัยการครบขณะเดียวกันสำ ม, มามักก็เกิดได้เพราะการครบอีกเหมือนกันก็แล้วแต่เราจะคบผู้ใดทีนี้ก็ดูขณะเดียวกันมันก็สเสมอด้วยธาตุด้วยเหมือนกันนะโลกนี้เป็นไปด้วยธาตุคนที่ธาตุ สัมมาทิฐิก็จะครบกลุ่มท่าที่เป็นสัมมาทิฐิกลุ่มทตาที่เป็นมิจฉาทิฐิก็จะครบกับมิจฉาทิฐิเพราะฉะนั้นธาตุโดยสภาวะภายในก็เรียกว่าธาตุธาตุมันใกล้ต่อธาตุแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะถึงคนนิสัยดีถ้าไปอยู่กับพวกเลวนา น, าน้ำล่ะก็ยากพวกเลวๆนะั้นมาอยู่ใกล้กับคนดีก็ยังดีได้เพราะฉะนั้น เพื่อนฝูงสังคมสิ่งแวดลอ้อมเนี่ยนะนะับว่าสำคัญมากนะนะต่อต่อชีวิตของเราทั้งหลายนั้นเราจะปฏิเสธปัจจัยจากภายนอกไม่ได้เพราะว่าถ้าว่าโดยรวมๆแล้วของเราท่านทั้งหลายก็คือชาติวิบากกับชาติกิริยารูปก็เป็นอัพยากตะแล้วชาวนะละก็แล้วแต่ปัจจัยอย่างที่ว่าทีนี้ปัจจัยสาคัญสาคัญก็คือภายในกับภายนอกเนี่ยนะนะนะตอนนี้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 วจีเวิญนยัตเพราะฉะนั้นถ้าพูดจิตที่ใดจิตแต่ชรูปเท่ากับพูดแล้วถ้าพูดจิตเจตสิกก็เท่ากับพูดจิตแต่ชรูปแล้วใช่ไหย mm hmm. เช่น mm hmm. เหตุตุปั จ, จเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยขณะที่เหตุเหตุเกิดเนี่ยทั้งที่เป็นกุศลละเหตุหรืออกุศลละเหตุก็ตามรูปทั้งหลายก็ชื่อว่าได้พูดแล้วเพราะเป็นปัจจยุบบันของเหตุตุปใ จ, จ mm hmm. ทีนี้มาดูต่อไปว่ามงคลข้อที่สาม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 บูชาคนที่ควรบูชาจึงตรัสว่าบูชาจะปูชนไนยานังเอตนะเอตมังคามุตตมังเนี่ยนะการบูชาผู้ที่ควรบูชานี่เป็นมงคลถามว่าผู้ที่ควรบูชาเนี่ยนะปูชนยะเนี่ยนะหรือปูชนียะปูชนยะเนี่ยเดียวกันปูชนยบุคคลปูชนียบุคคลเนี่ยคือใครก็คือพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเพราะทรงเว้นจากโทษทุกอย่าง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 ผ่องใสหน้าเลื่อมใสประดับด้วยพระมหาพุทธลักษณะ32ประการและพระอนุพยัญชนะ80ประการรุ่งเรืองด้วยพุทธสิริครั้นเห็นแล้วเขาก็คิดว่าพระราชาทรงรับดอกไม้แล้วก็จะพึงประทานทรัพย์ร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งก็อันนั้นก็พึงเป็นความสุขเพียงโลกนี้เท่านั้นนะหมายคือว่าค่า ด, ดอกไม้เนี่ยนะที่พระเจ้าพิมพิสารให้เป็นค่าจ้างเนี่ยก็ความสุขโลกนี้นะ แต่การบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมมีผลประมานไม่ได้นับไม่ถ้วนนาประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนานซึ่งเราทั้งหลายหลา ย, หลายท่านในที่นี้ก็เป็นนายมาลาการบ้างนางมาลาการบ้างนายกับ น, นางก็ใกล้ๆกันนะ <Okay. S 1> ก็เมื่อวานก็ดอกไม้ประดับตกแต่งกันหน่าดูเลยนะเมื่อวานกับเมื่อวานก่อนวันนี้ก็ประดับใช้เบาเนี่ยนะ ดอกไม้เนี่ยถ้ากองกองไว้มันดูไม่เดเรื่องเลยนะไม่ต่างอะไรจากกองขยะเท่าไหร่ก็ลองมาใส่แก้วใส่ถาดใส่กระจาดดูดิเ อ, อน่าดูน่าชมนะสวยสดงดงามทันทีก็เป็นกรมนายมาลาการก็บอกว่าบางท่านบอกเลยว่าขอบูชาพระธรรมเหมงนกันนนะในในห้องเราก็มีนะเมื่อวานก็คุณสุจินเนี่ยนะก็ กับคณะนะก็หลายท่านช่วยกันแต่เขาก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดทําดอกไม้เนี่ยนะที่เป็นดอกไม้คกล้ๆพวงใหญ่ๆงามๆเนี่ยนะเช่ารถตู้แต่คันหนึ่งคันดอกไม้นะขันบรรทุกดอกไม้เลยนะบูชาสี่พระเจดีย์ด้วยกันแนละ้วก็นายมาลาการท่า น, นหลายๆท่านก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่จะเอาดอกไม้เนี่ยนะเพื่อบูชาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีวันแหน่งยมอ้วนร้อยดอกไม้เป็นหลายชั่วโมงด้วยกันนะนันับมานางมาลาการร้อยดอกไม้มันผู้ที่ เ, เรียกว่าเอาดอกไม้บูชาเนี่ยนะถ้าปรารบคิดแบบนายสุมนาณ์มาลาการที่กล่าวว่าย่ยอมมีผลประมาณไม่ได้นับไม่ถ้วนนําประโยชน์ศุขมาให้ตลอดกาลรรยาวนานถ้าใครอยากรู้อนนี้สงก็ดูในคัมภี์อัปทานเป็นต้นเนี่ยนะ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 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานอน์นายมาลาการผู้นี้จักท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์แสนกับด้วยอนุภาพของการบูชานี้แล้วในที่สุดก็จะเป็นพระประเจกพุทธเจ้านามว่าสุมณิสระเนี่ยนะสุมณะบวออิสระเนี่ยนะสุมณะก็คือเป็นชื่อของนายมาลาการเนี่ยนะหรือแปลว่าดอกมะลิก็ได้แปลว่าคนใจดีก็ได้นะสุมณะแปลได้หลายอย่างนะหมายถึงดอกไม้ก็ดอกมะลิ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 เบียดเบียนเราในโลกนี้ไหมเบียดเบียนในโลกหน้าไหมเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขไหมถ้าเราเอาคำถามเหล่านี้มาถามบ่อย ๆ, ๆแล้วมานักสิการทำกรรมไปเถิดแต่ถ้าไม่มานักสิการนะง่ายๆ เ, ยเห็นแก่ง่ายจะลำบากใจในภายหลังจากคาถานี้ตรัสจบบรรลุ8ปด0 0สี่พันเราก็นั่งอยู่ตามเดิม อาการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะว่าแล้วแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็มีประโยชน์สุขตลอดกาลนานด้วยประการชนิดนั้นควรทําเป็นอย่างยิ่งนะนั้นก็ใครจะมีอาชีพบูชาพระเจดีก็เพิ่มอาชีพใหม่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะทำไปเถอะนะนก็อย่างอื่นก็ ท, ำทํำซะจนเนี่ยนะบางพวกนีก่คิดดูนะก็เอาดอกไม้พวงมาลัยไปแขวนให้ใครก็ไม่รู้เนี่ยนะเพ้อเจ้ออยู่ก็ได้พวงมาลัยรับอย่างนี้ก็ขนาดนั้นเขาก็ยังทํากันทุกวันเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะ แล้วก็ดอกไม้ก็ไม่เอานี่นะเอาแบงค์ด้วยนะแขวนแขวนแขว น, ขวนแล้วก็ไปพวงให้คล้องให้ป้ายอยู่ทุกวันน่ยนะขนาดนั้นก็ยังทํากันถ้าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอาดอกไม้ทําทุกอย่างทําไมเราจะทําไม่ได้เนี่ยนะทแล้วก็ไม่ต้องเสียใจในภายหลังนะโดยปกติถ้าไปกราบไปไหว้บูชาพระรัตนตรัยกลับมานะแม่บ้านเขาไม่ค่อยโวยวายเท่าไหร่หรอก <S <S แต่ถ้าไปแขวนผิดที่แล้วก็แ <c oughs> ม่บ้านเดือดร้อนแน่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 เอาหมหาพูดเท่าที่มีอยู่ใช่ไหมมหาพูดปรารบสีแล้วบูชาก็มีบางพวกปรารบเสียงแล้วบูชาก็มีบางพวกปรารบกลิ่นบูชาก็มีบางพวกปลารบรลิ่นบูชาก็มีบางพวกปรารสบูชาก็มีบางพวกปาบโภะบูชาก็มีแต่รรรรรรร But, สิ่งที่เอามาบูชาเหล่านั้นว่าโดยรวมๆก็คือมหาพูดมหาพูดท <ๆ S 1> ่านเอาบูชามหาพูดเนี่ยนะเอามหาพูดมาบูชาอย่างไรเสียก็ได้บุญไม่เท่าปฏิบัติบูชา เพราะเอามหากุศลเป็นตัวบูชาใช่ไหอย่างอย่างสมมติเอาพรหมไปบูชาก็เอามหาพูทไปบูชาเอาดอกไม้บูชาก็มหาพูดเอาว่ารวมๆเอาเทียนบูชาก็แสงสว่างก็มหาพูดจะอะไรก็ตามก็คือมหาพูชทีนี้อันนั้นบุญไม่มากเท่ากับปรารบกุศลจิตให้กุศลจิตเกิดเอาตัวกุศลนั่นบูชาอันนี้มีผลมากที่สุดเอาชาติอพยากตะบูชาบุญไม่มากถ้าเอาชาติกุศลบูชา มีบุญมากนะเพราะฉะนั้นก็ใครวันนี้รักษาอุบโบสถบูชาพระพุทธเจ้าก็นับว่า บ, บุญมากเมื่อวานนี่หลายคนนะทั้งอาิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูบชามีรถอยู่คันหนึ่งก็บอกว่าถ้าศินแปดน่าขึ้นคันนี้ได้เหมัอนกันไม่สินแปดเนี่ยนะผู้จัดการคันรถเขาไม่อยากไม่อยากให้ขึ้นนะไปขึ้นคันอื่นก่อนนะนะคันนี้เอาแต่ศินแปดเหมือนกันก็เหตุผลหลายประการ ก็ต้อจะได้คบบัณฑิตด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็จะได้จัดอาหารเพนสะดวกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะนั่นก็ปฏิบัติบูชาที่สําคัญนะปรารบกุศลศีลเนี่ยนะศีลหศีลแศีลอุโบสถเป็นต้นก็ทําบูชาไปเถอะขั้นการ บ, บูชาด้วยการปฏิบัติเนี่ยนะเอาตัวมหากุศลซึ่งกุศลเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมสภาพที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นสุขเนี่ยนะ เอาเอากุศลเหล่านี้มาบูชาพระองค์เนี่ยจึงเป็นการบูชาที่เรียกว่ามีผลมากมีนิสงมากพระองค์ก็สรรเสริญอย่างนี้มากกว่าเช่นการถึงสารนคมเนี่ยนะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระตัตนะไตรก็นะับว่าเป็นการปฏิบัติบูบชาการสมาทานศิกขาบท5เช่นศินห้านะสินข้อ12ึ่งสหตั้งใจสมาทานเธอะ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 พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าสมมาทานองค์อุโบสถอย่างนี้มีคุณมากมีอุปการะมากมีผลมากเมียในสงมากถ้าทําอย่างนี้นะสมมาทานอุโบสถอย่างนี้เนี่ยท่านบอกว่าสมบัติถ้าเป็นมหาพูดนะแก้วแวนเงินทองที่ดวงอาทิตย์ศาสาดส่องถึงเนี่ยใครที่มีสมบัติขนาดนี้นับว่าคนรวยใช่ไหมถ้ามีสมบัติเท่าดวงอาทิตย์ส่องเห็นเป็นแก้วแหวนเงินทองไปหมดนะทางธรรมะถือว่านั่นก็ยังเป็นสมบัติของคนยากอยู่ อันนี้สองสู้โบสดไม่ได้พูดอย่างนี้จะสมาทานอุโบสถตอนนี้ก็ไม่สายนะเพราะบ่ายไปแล้วเาก็จริงแต่ก็จะสมาทานตอนนี้ใครจะห้ามละ่ะถามว่าผลจริงจริงเนี่ยนะก็อันนั้นมีหลายประเด็นด้วยการที่จะคุยกันแต่ที่ถ้าจะถามหาผลนะ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 มากกว่าสมบัติเขาเรียกว่ามนุษสมบัติที่เรียกว่าสมบัติทั้งโลกเนี่ยเป็นแก้วแหวนเงินทองหมดแล้วก็มีอะไรนะดวงอาทิตย์าศาสตร์ส่องลงมาใช่ไหมนั่นอาะยังนับว่าสมบัติของคนยากเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดในสวรรนชั้นจาตุ่มเมียอายุเท่าไหร่อ่ะนะถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะร่ารวยแผ่นดินทั้งหมดเป็นของเราเป็นแก้วแหวนเงินทองหมดอายุเราเท่าไหร่คิดว่าจะอยู่กันอีกคนละกี่ปีแล้วมันจะไปกินได้หรือแก้วแหวนเงินทองอย่างที่ว่าเนี่ย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 แล้วก็ผิวก็เป็นทองคําไปตลอดอาหารก็อิ่มดังใจนึกเนี่ยนะก็ถามว่ามีความสุขประสมบัติของมนุษย์ไหมล่ะก็เทียบกันไม่ติดแล้วดาวดึงยามาดูสิผู้ที่ตั้งมั่นสมาทานอยู่ในอุโบสถเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่อุโบสถ ด, ดีระดับหนึ่งเนะี่ยพวกนี้นะไม่กลับมาเป็นมนุษย์เป็นพุทธันดรก็ได้ น, นะนะถ้ารักษากุศลไวด้ดีก่อนจะตายนึกถึงอุโบสถก็ไปดีต่อเนี่ยนะก่อนจะตายนึกถึงอุโบสถก็ไปดีต่อเปรียบเหมือนว่าคนเดินทางเนี่ยนะที่มีสตังหน่อยนะ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 ผู้มีบุญเก่าทั้งหลายไม่ค่อยเอาผลแห่งบุญไปทําบุญต่อสํหรับสมมุติถ้าเรามีปัจจัยสี่เยอะมีปัดมีแก้แวแหวนเงินทองมากคิดหรือว่าเราจะรักษาอุโบสถอีกครั้งหนึ่งอยากจะประดับมากกว่าที่จะรักษาอุโบสถใช่ไหมมีเพชรเยอะมากมีทองเยอะมากมีเครื่องแต่งตัวสวยๆงามๆน้าอบน้ําหอมมีแต่อย่างดีทั้งหมดเลยนะแม่จะคิดรักษาอุโบสถแม่แต่วันเดียวยังคิดยากจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นเล่า่นะ คิดหรือว่าถ้าสมมุตินะสมมุติถ้าเป็นผู้ชายใช่ไหมมีบุญมีภรรยาสักห้าสิคนเนี่ยนะสมาทานอุโบสถสักครึ่งเดือนเนี่ยนะคิดว่าทําได้หรือใช่ไหมเดี๋ยวแม่บ้านคนที่หนึ่งมาแล้วแม่บ้านคนที่สองเวียนไปโอ้หุ่นไหวไปหมดนะเจ้โบสถ์รักษายากเพราะฉะนั้นพวกนาคขราทั้งหลายที่มีมเหสีเยอะๆเนี่ยพวกนี้จะรักษาโบสถที่มนุษย์นางนาคจะได้ไม่มากวนไม่งั้นก็ไม่มีสิทธินะเดี๋ยวก็มาร่ายรำร้องเพลงทานโน่นทานนี่ นะตอนเย็นเย็นกำลังหิวอยู่พอดีกินแต่ไม่ยมกินแต่มั ก, ม, กมักขหามหวานต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะกดชักมันก็ได้แล้ะ